สมมาิสมมาสังปสมมาวาจาสมมามันสมมาอาี พุทธังสาวของังอภิวาทีสวากดุปะคะวาตัมโม ือ ป, ปาติปันโนพรคาวาโตซาวะคั้างโคตั้งขามนามันเดี๋ยวเราจะน้อมจิตเจริญภาวนาในภาพายสักครู่นะคะตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นนะคะมาเลยค่ะ นะคะ้อมกายวาจาใจนะคะผ่นลมหายใจเข้าออกให้สบายสิ่งใดที่ข้างค้างอยู่ในใจนะคะขอให้ละลายหายไปกับลมหายใจที่ออกความดีความความจเจริญขอให้เกิดปรากฏพร้อมกับลมหายใจที่เข้านะคะผนลมหายใจเข้าออกสบายสบายนะคะ่ะ เดี๋ยวเราจะระลึกถึงพระพุทธคุณนะคะในบทอิติพิโสรัตนามาราเราลึกตามนะคะอิโทสพันยุตยานังอิชันโตอาสวะคยังอิทังดัมังอนุปัตโตอิทิมันตังนามามิหัง พระพุทธเจ้าพระองค์ใดทรงปรารถนาสัพพัญญุตยานทรงปรารถนาทำที่นำสู่ความสิ้นอาสวะพระพุทธองค์ก็ได้ทรงบรรลุ ธ, ธรรมตามที่ปรารถนานั้นแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้มีความสําเร็จพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นผู้นำสัตว์พร้อมทั้งเทวดาทั้งหลายให้ข้ามจากวัฏฏะถุกเป็นผู้ที่ส่งคุณสูงสุดในไตรโลกข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นที่รักสูงสุดของพรหมทั้งหลายตลอดไปจนถึงตีละชานมีนาคและครุฑเป็นอาทิข้าพเจ้าขอนอบน้อม พระพุทธเจ้าผู้มีอินทรีย์อินพระองค์นั้นก็ขอโมท น, นาในกุศลและเจตนาของเราทั้งหลายเนะี่ยตั้งใจในการที่จะเจริญกุศลกันอย่างต่อเนื่องเนาะทางรปริเขตยานปัจจะยะเปริกหายานเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะถามว่าอะไรเป็นฐานในการที่จะไปเข้าใจตรงนั้นเนะี่ย ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าตรงนี้ตรงนี้ต้องแยกอย่างนี้นะว่าท่านในชั้นของต้องแยกบุคคลท่านในสมัยครัง้งพุทธการและหลังๆพุทธการมาไม่นา น, นในยุคของบุคคลที่มีบุญทั้งหลายได้สั่งสมบา ร, รมีมาเพื่อต้องการจะตัดสู้ธรรมได้เกิดทันสมัยที่พระบรมศาสดายังสงเมชชนอยู่เนี่ย ท่าในยุคนั้นเนะ่ะบุคคลที่บำเพ็ญบารมีมาทั้งหลายเนี่ยบางครั้งก็หนึ่งสงไขบ้างหนึ่งแทนขับบ้างนะแล้วก็หมื่นขับห้าพันขับอะไรก็แล้วแตสรุปแล้วก็คือบุคคลเหล่านั้นมาจากการสั่งสมอัธยาศใจฉะนั้นถ้าเจอจากบุคคลเหล่านั้นเน่ยนะถ้าเราดูจากในชั้นของคำสอนเนี่ยเวลาเข้าฟังคําสอนเบ็ดเสร็จเนี่ยการแทงตลอดเกิดขึ้นกับบุคคลเหล่านั้นอย่างมากมายเลย แต่ถ้าในยกปัจจุบันเนี่ยเนี่ยในยกคปัจจุบันเนี่ยคนที่จะเข้าถึงคำสอนของพระศาสดานในลักษณะอย่างนั้นได้เนี่ยต้องผ่านการกระบวนการค่อนข้างจะเรียนรู้หรือวิจัยค่อนข้างเยอะมากทีนี้ถ้าเราฟังคำสอนอย่างยกตัวอย่างในสูตรต่างๆชันของอาทิตตปริยายสูตรเนี่ย พระศาสดา ส, สอนฉดินสามปีน้องพร้อมเด้อยวใบวานหนึ่งพันสอนบอกว่าจากักขู่ดูก่อนวิสูทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนแล้วก็บอกดูก่อนวิสูทั้งหลายก็อะไรเล่าคือสิ่งทั้งวงเป็นของร้อนดูก่อนวิสูตทั้งหลายบอกตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจกักขู่อิญยาณเป็นของร้อนจกักขู่สัมผัสเป็นของร้อน แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขคู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราไปคือราคะไปคือโทสาไปคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโสกกาปริเดวะทุกขโทมนสะสัพพายาตใช่ไหมอย่างเงี้ยหรือจะบอกถึงตากับตาเป็นของร้อนลูกเป็นของร้อนจากขูวิญญาณเป็นของร้อนจากขูส่สัมผัสเป็นของร้อน มนสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุขกข์มสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักขคู่สัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นกองร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนว่าไปคือราคะไปคือโทสาวไปคือโมหะร้อนเพราะชาติชรามรณะโศกกริ่เดวะทุกขโทมนาสาวปายาตแล้วก็บรหูจมูกเล่นกายใจเป็นเท่าไหรนีน้บอกใจเป็นของร้อนเนะธรรมารมณ์เป็นของร้อนมโนวิญ ญ, ญาณที่อาศัย มโนวิญญาณที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นของร้อนมโนสัมผัสก็เป็นของร้อนแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาและอทาทมณ์ขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมาโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไปคือราคะไปคือโทสะไปคือโมหะร้อนเพราะชาติชารามราณาโสกาวิริเดวะทุกขโทมนาสะอุปายาตนะิพอแสดงธรรมจบนี้นะพอแสดงธรรมบอกภิกษุบอกภิกษุเมื่อรู้อยู่ว่า ไงว่าตาหูจมูกกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นของร้อนเนี่ยก็เบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายในตาเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในจักรุญญาณเบื่อหน่ายในจักรู้สัมผัสเบื่อหน่ายในสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออาทุกข์คำสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักรู้สัมผัสเป็นปัจจัยเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็เบื่อหน่ายในหูเบื่อหน่ายในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสใช่ไหม สาระของตาเนี่ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจเลยเป็นเพศหญิงเพศชายนันแล้วก็ยังมีพวกกิจชะกราลาบลูกที่เกิดจากจิตนี่แหละลูกที่เกิดจากอาหารที่เกิดลูกที่เกิดจากอุตุอย่างละแปดยางละแปดเนี่ยในตาเขาเขาว่าจัดขูเนี่ยถ้าเป็นของร้อนเนี่ยเอาแล้วต้องมาวิจัยแล้วโอ้โหเเป็นที่ตั้งของราคะยังไงเป็นที่ตั้งของโทสะยังไงเป็นที่ตั้งของโมหะยังไง ก็นี่ไงประเด็นต่างๆเหล่านี้เพราะเพราะพื้นฐานอัธยาศัยของเราไม่ได้สั่งสมอย่างยาวไกลเนี่ยในชั้นของคําสอนเนี่ยพอฟังปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถจะแยกอะไรได้ถ้าถามบอกว่าฉะนั้นในลักษณะอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าต้องการจะให้รู้จักนามรูปปริเต ท, ทยานก็ต้องศึกษาในเรื่องของรูปในเรื่องของนามให้ชัดก่อน ในส่วนของรูปก็คือกลุ่มมหาภูทรูปและอุปาทายรูปเนี่ยต้องให้มีความเข้าใจในมุมนี้ในกลุ่มของนามธรรมาก็ต้องมาเข้าใจในเรื่องของพวกเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เข้าใจการที่ปฏิบัตินั่งหลับตาหรือนั่งกําหนดจิต เรื่องให้ปัญญามันโพลงขึ้นเองโดยชนิดที่ไม่ได้ฐานข้อมูลมาก่อนอันนั้นไม่ใช่ฐานหน้าเลยฉะนั้นกรณีที่นามรูปปริเฉทยานจะเกิดได้แปลว่ามีความเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามดีเรื่องขันห้าดีเมื่อเข้าใจเรื่องขันห้าในเรื่องของอายตนะเรื่องของทา่าต่างต่างเหล่านี้ยมีความเข้าใจพอสมควรแบบสรุปได้นะไม่ใช่ไปเรียนแบบฟุ้มเพ้ออะไรไม่ใช่อย่างนั ก็คือสามารถย่อแล้วก็สรุปประเด็นได้ว่าส่วนนี้เป็นรูปธรรมนะมันเป็นรูปขันนะส่วนนี้เป็นเวทนาขันนะส่วนนี้เป็นสัญญาขันส่วนนี้เป็นสังขารขันส่วนนี้เป็นวิญญาณขันแยกออกได้อย่างนี้คือสามารถแยกขันห้าได้แล้วมาย่อจนเหลือรูปกับนามเป็นต้นได้เมื่อเข้าใจอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยความเข้าใจตรงนี้นี่แหละจะเป็นฐาน่งการที่จะไปจอ ใกล้ควรอยกตัวอย่างนามรูปปริเฉทายานจะเกิดยังไงนี่ยกตัวอย่างนี้ถ้าเดินมาจากสายอาณาปันนะใช่ไหมเราก็จเจริญกําหนดที่ ก, กล่าวไว้ได้นะ่ะดูลมหายใจเข้าแล้วออกกระทบเข้ากระทบออกอะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นมีความเข้าใจในเรื่องลมอย่างดีพอสมควรเนี่ยนะนะเข้าก็เอา้ามีครูบาอาจารย์ให้กันแนะนํา ฐานในการกําหนดอาณาบารณาคือการดูลมกระทบเข้ากระทบออกลําดับแรกคือยังไงในชั้นศีลต้องเข้าใจมาก่อนไหมทานศีลต้องเข้าใจไหมทานศีลต้องเข้าใจเพราะคนที่จะเจริญอาณาบารณเนี่ยโดยหลักโดยชั้นคําสอนเนี่ยนะ อันนี้นะดูดูเฐานตรงนี้จะเห็นท่านบอกว่าในกรณีแห่งการที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยข้อปฏิบัติน้นเบื้องต้นนะท่านกล่าวไว้เจ็ดประการเลยปรารถนาจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือจะเจริญสมถกรรมฐานเนี่ยนะหนึ่งตั้งอยู่ในศีล ศีลห้าคือมหาทานต้องเข้าใจแล้วชั้นทานเข้าใจชั้นมหาทานระดับศีลห้าต้องเข้าใจศีลแปดแต่บางท่านก็อาจจะไปถือเป็นศีลแปดบางท่านก็ถือศีลเก้าเลยก็คืออุโบสถศีลนั่นแหละแต่เพิ่มเมตตา ม, มาคล้องบางท่านก็เอาศีลสิบเลยคารวะบางคนเนี่ยไม่ไม่ยินดีและเงินและทองเลยในชั้นต้องการมาเข้าสู่การประพฤติปฏิบัติ กุศลธรรมชั้นสูงเกิดไม่ได้ฉะนั้นตัวกุศลสีเนี่ยต้องมีความแข็งแรงในยุคที่เป็นปัดเอ่อเกี่ยวในเรื่องของนญาติบุคคลนี่นะประการที่สองตัดปริโพศเครื่องกังวลใจทั้งหลายที่เกี่ยวในเรื่องของที่อยู่อาวาสปริโพศราภลาภปริพธในสกสาระนี่นะ กังวลในที่อยู่กังวลในลาบสกาลากังวลในการเดินทางกังวลในการงานกังวลในต่างๆ่าสิบประการเนี่นนะกูละปริพอดเอ้ยทั้งอิทธิปริพอดทั้งคันถาบริพอดทั้งหลายเนะ่ยปริพอดต่างๆนั้นตัดตัดปริพอดเครื่องกังวลอนะันนี้ออกเสียหาอาจารย์ผู้เป็นกัลยาณมิตรที่ประกอบไปด้วยคุณเจ็ดประการเนี่ยความเป็นผู้น่ารักมีศีลสมบัติและมีความเพียรมีความเพียรเป็นต้น ประการที่สองครูหน้าเคารพก็มีศีลเหมือนกันมีข้อวัดปฏิบัติที่สมบูรณ์มากน้อยสันโดษไม่ละคนไในหมู่ตารับความเคียรเป็นต้นไปตามลำดับคุณธรรมก็ไปดูไปตรวจสอบสําหรับดูอาจารย์ดูอาจารย์ที่เราจะเข้าไปหาครูรู้ก็หน้าเคารพก็มีข้อวัดที่สมบูรณ์ภาวณีโยเป็นผู้หน้ายกย่องเว้นจากอคติทั้งสี่เว้นจากชันทาคติพยาคติโทสาและก็โมหาคติเงี่ยนะ ประการต่อมาก็คือว่าวัตตาเป็นผู้ว่ากล่าวว่ากล่าวเนี่ยตีเตียนบาปเป็นคนเกลียดบาปมากบอกว่าเป็นผู้ว่ากล่าวคือสอนได้แนะนําได้และในขณะเดียวกันก็ติเตียนบาปไม่ไม่ต้องการให้ไม่อยากให้บาปเกิดทางกายทางวาจาและใจวัจะนะขโมเป็นผู้อดทนต่อคําคของคนอื่นไม่ใช่ไปดูนี้อาจารย์เมอือนขีโกรดมั้ย ดอนปัญหาอุปสรรคเล่นน้อยเขาโยไม่ไหวแล้วโกรธเงี้ยอย่างงี้ไม่ใช่แล้วไม่มีวัจนะขโมต้องอดทนกะถังกัตาเนี่ยโนจากฐานีจานิโยโ ย, โยโยความเป็นผู้สามารถอธิบายอัดที่ลึกซึ้งได้เข้าไปหาที่อาจารย์อธิบายสติปัฏฐานเนี่ยอัดของสติปัฏฐานลึกซึ้งได้ไหมสมปทานอิธิบาทอินทรี์พระราโชงอะไรมา อธิบายอริยศาสตร์ได้ลึกๆไหมคือสามารถเข้าใจอัดของทุกอัดของสมูทัยอัดของนิโรธแล้วก็อัดของอริยมรรคได้ลึกซึ้งไหมแล้วปฏิจจุนบาทเป็นต้นนหมอัดฐานีอัดฐานีโนจานิโยชเยก็คือว่าเป็นผู้ไม่ชักชวนให้กระทําสิ่งที่ไม่ควรอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสิ่งที่ควรก็แต่มีปกติชักชวนให้ทาสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเนะ ตามอัธยาศัยของสิทธิ์เพราะความที่กัลยาณมิตรนั่นเป็นผู้ถึงพร้อมมีปัญญามีกรุณาเป็นต้นจึงรู้ถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ของสิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยเราก็หากัลยาณมิตรแบบเนี้ยหรือหาครูอย่างเงี้ยก็เข้าไปหาท่านนั้นความสําคัญของกัลยาณมิตรเนี่ยพระศ า, าสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่ออาทิตย์จะขึ้นเนี่ยนะจะอุทัยขึ้นเนี่ย สิ่งที่ขึ้นมาก่อนดวงอาทิตย์นั้นน่ะคืออะไรคือแสงเงินแสงทองใช่ไหมบอกว่ามีนิมิตคือแสงเงินแสงทองเกิดมาก่อนชั้นใดสิ่งที่เป็นเบื้องต้นเป็ น, นมิตก่อนเพื่อความบังเกิดขึ้นของพ่ชงเจ็ดเพื่อความบังเกิดขึ้นของมัคแปดเนี่ยนอะอะไรความเป็นผู้มีมิตรดีฉันนั้นเหมือนกันใช่นไหม ฉะนั้นความเป็นผู้มีครูดีเนี่ยนะมีอาจารย์ที่ดีมีกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยจึงจัดว่าเป็นทั้งหมดของพรมายันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของมรรคพรมายันไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของาศาสนาพรมายันและมรรคพรมายันพรมจรย์นมีสองส่วนอย่ังไงส่วนแรกกือศาสนาพรมจรย์คือพุทธวจนะทั้งหมดแล้วก็ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาที่เป็นไปในส่วนเบื้องต้น ส่วนมรรคกพรหมจารนั้นคืออริยมรรคมีองแปดที่ประชุมในโสดาปิมรรคเป็นต้นเนี่เขาเรียกพวกเราต้องการจะมาประพฤติพรหมจาร์เนี่ยทีนี้ถามว่าในศาสนา พ, พรหมจาร์เนี่ยเราต้องอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยครูอ่ะครูที่ที่ท่านเป็นกัลยาณมิตรเนี่ยท่านจะแนะนํพาพอเห็นหน้าเราปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วนั่งสนทนาปุบเนี่ยท่านจะรู้ว่าเราเนี่ยขาดขาดอะไรใช่ไหม ถ้ายังเออท่านมองนองเบ็ดเสร็จท่านก็จะเริ่มให้ข้อมูลเราแล้ ว, ลวให้ข้อมูลนั่นน่ะตอนนั้นน่ะท่านกําลังตกแต่งเราเนะพวกกลุ่มกัลยาณมิตรทั้งหลายท่านมาตกแต่งเราเนะ่ที่เราเขาท่านกําลังเอ๊ะสืบค้นเอาข้อมูลมาแต่งอะ่ะเหมือนอะไรเหมือนเราได้ก้อนดินมาก้อนหนึ่งเนี่ยมันยังไม่เป็นรูปร่างอะไรเลยนี่ท่านจะปั้นเป็นเจดียนะ์ในท่านตกแตก่ง ต, ตกแต่งไหมโหต้องมาดัดต้องมาอะไรต่างๆ ดินล้วนๆเลยทําไงลนะ่ะเอาน้ํามาผสมกันให้เหนียวยังไงต้องขยําขยําอ้โหต้องมีกิจกรรมเยอะไหมต้องอาศัยกิจกรรมอาศัยเรื่องราวเอาเวลานั้นทํามานั้นเวลานี้ดินบางอย่างก็ปั้นไม่ค่อยติดเนี่ยนะก็เห็นไหมดินล้วนที่ปั้นยากนะอ่ะโอปั้นก็ยากใช่ไหมเอาน้ําใส่แล้วเอะดันเป็นดินแตกๆอย่างดินไม่ค่อยติดไม่ใช่ดินเหนียว อามาเอาเข้าคอร์ดอบรมแล้วอบลมอีกก็สลึมสลือเงี้ยคือมันมปั้นไม่ได้ทําไงตอนนี้ยมันปั้นไม่ได้อ่ะคํานวณดินผิดอีกแล้วโอ้ยจะต้องไปดูสัดส่วนใหมเ่เราใส่อะไรผิดไปวะเนี้ยก็คํานวณใหม่เงี้ยอามาอาจจะตอบยาวนิดนึงนะตรงนี้นะแต่เพียงให้รู้ว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยคือฐานข้อมูลที่จะเข้าไปรู้น้ํารู ป, ปรเรเจอร์ได้ยากตรงนี้ก็คือว่า ความสําคัญกันของกัลยาณมิตรเนี่ยตัวตรงนี้ก็คือว่าพระุทธเจ้าเป็นทั้งหมดพุทธเจ้าบอกว่าพระศ า, าสดาเป็นยอดกัลยาณมิตรทุกวันนี้เราก็ได้พระุทธเจ้าทีนี้พอได้พระพุทธเจ้าเป็นเสร็จแล้วก็ได้สาวกของพระพุทธเจ้านี่แหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้พอมายกหลังๆมาพระศ า, าสนาก็หลังจากพระศ า, าสดาปฏินิพพานพระุทธเจ้าก็บอกว่าพระไตรปิฎกนะี่ะจะเป็นศ า, าสดาแทนเราหลังการล่วงไปล่วงไปแห่งเราอยู่ไหม พอพูดอย่างนี้ตูมเนี่ยโหชาวผู้ชื่นใจเลยได้เข้าใจไปิึงแต่มีปัญหาและหยิบอ่านไม่เข้าใจเนีมีอย่างนี้อีกหยิบมันไม่เข้าใจอีกบอกนี่เราได้ภาษาสดาแล้วใช่ไหมนี่ภาษาสดาอยู่ในนี้ยประทับอยู่ในเนี้ยเราไปเปิดอ่านแล้วแต่เ น, นี่เออจิตงานอะไรไม่รู้เลยภาษาสดาบอกสื่อกับเราไม่ได้เลยแล้วอันนี้ลําบากไหมแตยเนี่ยก็ต้องอาศัยมากันการไกลกันมาคนในยุคนี้ก็เลยมาแทรกเอาความเห็นนีะใจ อันนี้ก็เลยกลายเป็นเราก็รู้มองไม่ออกอีกแต่เนี้ยทีแล้วภาษาสดาพูดคําไหนกับคนยุคนี้พูดมันคําไหนวะงั้นถ้าใครได้ได้กัลยาณมิตรที่รู้รู้พุทธวจนะของพระพุทธเจ้าได้อย่างลึกซึ้งก็มาให้ก็เป็นบุญไหมก็เป็นบุญของด้านบุญนั้นไปอันนั้นก็ก็เนี้ยประเด็นต่างๆอยู่ตรงนี้พอเราได้ยิง่งไปเสร็จก็เข้าไปเรียนไปเรียนเลยคือท่านงั้น ไม่ใช่เรียนเหมือนทุกวันนี้เรียนเนะถ้าในกลุ่มนั้นก็แปลว่าพวกเราพอรู้ข้อมูลไปเสร็จถ้าเรารู้ว่ามีครูบาอาจารย์ที่เป็นกัลยาณม่เข้าไปเรียนท่านก็จะให้ให้ข้อมูลตรงอธัธยายัยเลยเช่นว่าจะให้สรุปคําสอนอยังไงท่านก็เอาคําสอนนั้นสรุปประเด็นให้กับเราแล้วเราจําประเด็นนั้นไปเสร็จแต่เราก็มีฐานมาพอสมควรเนี่เนอะแต่ไม่ใช่ว่าพอไปหาครูก็ก็ถามบอกว่ารู้จากฐานไหมเหมือน รู้ทำทุกวันเขากับท่านก็นถามต่อไปรู้จักเจตนาทานไหมเจตนาที่เป็นไปกรรมมหากุศลจติทูบาทรู้จักไหมไอชักไม่ค่อยรู้เลยไอเสีที่เจตนาที่เป็นใจเป็กรรมมหากุศลจติทูบาทใช่ไหมอันนี้ท่านจะท่านต้องการจะแต่งเราแล้วนะเนี่ยเอารู้จักอวัตถุทานไหมเอาวัตถุทานก็งี้ไงมีข้าวนะแค่นั้นใช่ไหมดอกไม้เป็นวัตถุทานได้ไหม เออได้ได้อดอกไม้ในโลกใบนี้ยเป็นวัตถุทานได้ทั้งหมดไหมได้แต่เป็นของคนอื่นนไฟใหญ่ไม่ต้องมาทําความเข้าใจอีกเยอะเลยไหมนี่ไงแล้วเอาผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยอะในกระดูกทั้งหมดเนี่ยอันนี้ใช้วัตถุไหมเนี่ยถ้ามองเป็นวัตถุกามเมื่ อ, อไหร่มันเป็นสิ่งน่าไข่น่า ย, ยินดีน่าเพลิดเพลินน่าพอใจแต่ถ้ามองเป็นวัตถุทานเป็นของควรให้ควรสละก ง ing, งๆเจ๊ะไหมเอาพระศาสด า, าท่านสลักให้ดูไม่รู้สัก อ, อีกอัจภาพท่านสลัได้แต่เรามองเป็นวัตถุ ก, กรรมอ่ะใทยเป็นเจ้าของไร่เอามองไร่ไร่ผืนเนี่ยพื้นดินเนี่ยร้อยไร่ร้อยกว่าไร่เนี่ยมองเป็นวัตถุ ก, กรรมหรือมองเป็นวัตถุทานถ้ามองเป็นวัตถุกรรมก็เป็นของน่าใค่าน่ายินดีน่าเพลิดเพลินน่าพอใจแต่ถ้ามองเป็นวัตถุทานก็หน้าให้หน่าสละแล้วจะมองอยังไง เราจะมองเป็นวัตถุทานหรือวัตถุกรรมถ้าเราต้องการจะขัดเกลาต้องการจะหลุดพ้นก็ต้องมองให้เป็นวัตถุทานไม่ใช่ไปมองวัตถุกามทั้งนั้นมันก็น่าไข่ใช่ไหมอา่าถ้าเราไปเห็นเพศตรงข้ามเรามองเป็นวัตถุกรรมน่าไข้ไหมหน่ายินดีน่าเพลิดเพลินน่าพอใจแต่ท่านน่ะมองเห็นวัตถุทานเมื่อไหรอุ้นน่าบริจาคคนนี้งามเลยล่ะท่านนี้ จิตจะไม่ไม่ติดข้องใช่ไหมอันนี้ชั้นทานเนี่ยถ้ที่พอพอชั้นทานเป็นแล้วเนี่ยเอางี้นะว่าทําไมสันตติมหามาจึงรอง้องไห้ไปเฝ้าพระเจ้าพรามองเห็นนางสนมเนี่ยเป็นวัตถุกรรมแต่พอไปฟังธรรมของพระศ า, าสดาพระศาสดาบอกว่าให้ละขันหานั้นเสีิเลยมองขันหานั้นเป็นวัตถุทานเป็นของที่ควรสละควรบริจาค ควรสำรอกควรควรควรทิ้งใช่ไมแต่ไม่ได้ทิ้งอย่างทันญานมีใจว่าเหมือนทิ้งขยะมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นมันทิ้งแบบโทสะใช่ไหมมันรังเกียจแล้วนนเนี่ยถ้าเป็นขยะเนี่ยมันเป็นโทสะแล้วอันนั้นไม่เป็นทานเราทิ้งเป็นกระบุงมันก็ไม่เป็นทานใช่ไหมแต่เขาทิ้งด้วยการที่เขาเห็นเขาเห็นสิ่งที่ที่จะ จะได้มาซึ่งคุณธรรมที่สูงอย่างนี้ก็เอ้แม่ก็ถามหลังเขาก็ตรวจสอบศีตรวจสอบศีเอางี้ถ้ามองอย่างนี้นะอันนี้จะจะถามว่าจะเข้านามรูปเนี่ยอามาจะพูดเรื่องฐานให้เป็นนามรูปนี้นะนเจตนาคือจิตที่คิดจะให้เป็นนามหรือเป็นรูปเป็นนามนเจตนาที่เป็นไปกับกุศลก็คือกุศลกิจใช่ไหม เนี่ยเห็นเป็นกุศลจิตพอพูดถึงเจตนานี่เป็นขันอะไรเป็นสังขารละขันในเจตนานั้นมีเวทนาอยู่ด้วยไหมถ้าเจตนาที่ในในในมหากุศลเนี่ยในนั้นเป็นเวทนาอะไรเป็นโสมณสเวทนาได้ไหมในขณะให้จิตที่คิ่จะให้โสมนัณได้เป็นอุเวขาได้ไหมได้แต่ไม่ใช่เป็นอเวขาแบบโมหันะ เห็นไหมเนี่ยเออได้เวทนาด้วยอยู่กับเจตนานะมีสัญญาได้วยไหมเราต้องจํำด้วยไหมมีสัญญาไหมในในมหากุศลนะก็มีสัญญาขันด้วยตัววิญญาณขันก็คือมหากุศลอย่างเงี้ยนี่เราเริ่มรู้เห็นไหมว่าในนามธรรมที่จิตคิดจะให้สรุปคือคือนามะขันสีนั้นนามะขันสีที่เกิดขึ้นก็คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขัน นามขันสีเหล่านั้นอาศัยอะไรอาศัยหาทยวัตถุใช่ไ้มอาศัยหาทยวธถุก็คือกลุ่อุปาทายรูปและอาศัยมหาพูดสรุปก็คือกรณชกายทั้งหมดใช่ดินน้ำไฟลมมแล้วกษีกินรสโอชาธาตุเป็นต้นสรุปก็คือมีมหาพุทธรูปและอุปาทายรูปนามธรรมทั้งหลายคือเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณก็อาศัย รูประขันเป็นไปอย่างนี้แหละอันนี้แปลว่าอะไรเนี่ยสรุปแล้วความรู้สึกที่คิดจะให้นั้นคืออะไรคือน้ำกระขันสีซึ่งตั้งอยู่บนรูปกระแขันส่วนวัตถุที่พึงให้ทั้งหลายเนี่ยนะมีสิ่งของต่างๆหรอเนี่ยอันนี้ก็คือกลุ่มรูปกระขันก็คือสรุปแล้วก็คือถ้าเราจะให้พื้นแผ่นดินพื้นนี้ก็คือให้ดินน้ำไปลมใช่ไหม สาราอย่างนี้ก็แลกดินน้ำไปลมหนังสือก็คินดินน้ำไปลมสรุปแล้วเพราะเขามองเห็นว่าเมื่อแปลเรียกชื่อว่าเป็นสาลามันเลยกลายเป็นวัตถุกามแต่พอวัตถุกามเนี่ยนะคนไข้คนยินดีแต่ถ้าเรามองวัตถุกามมีเป็นวัตถุทานเมื่อไหร่แล้วก็มองว่ า, าจะให้เหมือนเงี้ยเหมือนเจ้าของเนี่ยเราจะสร้างสลาลาเพื่อให้คนมาฟังธรรมนี่เขาคิดให้เลยนะเนี่ยนี่เขาคิดให้แล้ว ซึ่งแต่ก่อนไม่ได้คิดมุมนี้เลยใช่ไหมแต่ก่อนไม่ได้คิดมุมลักษณะอย่างนี้หรอกคนที่ก็จะสร้างสถานที่ต่างๆได้มากคิดเพื่อจะได้ทรัพย์เพื่อจะได้ทรัพย์เพื่อจะได้วัตถุกรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเขาต้องการจะทําก็จะลงทุนเหรอใช่ไหมเอาวัตถุกรารมเพื่อจะล่อวัตถุกรรมให้เข้ามาแต่พอปัญญาเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมองจากวัตถุกรรมเป็นวัตถุทานแล้วเป็นสิ่งที่เราจะเอาให้ประโยชน์ ให้คนทั้งหลายได้มาพักร้อนแล้วมาฟังธรรมอันนี้แปลว่าอะไรมีวัตถุธ่ะมีวัตถุกามนี่แหละแปลเปลี่ยนเป็นวัตถุฐานแล้วแล้วก็เลยไปเชิญพวกเรานี่นะไปเชิญพวกเราใช่ไหมให้มาย่งพวกเราก็คือมีอะไรเนี่ยก็คือมีดินน้ำไปลมนั่นเป็นรู ป, ปรขันแล้วก็มีเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณนะขันก็เชิญขันห้าแต่ละขันห้าให้มารวมกันตรงนี้ ใช่ไหมแต่เรามาบัญญัติเป็นชื่อกันก็เรียกกันไปสิมีชื่อกอขอฮองงอเขาก็เรียกกันไปเหรอแต่ก็สรุปก็คือเอาขันห้าแต่ละขันห้าปกติขันห้าเหล่านี้ไม่ค่อยฟังทำอยู่แล้วใช่ไหมขันห้าเหล่านี้ชอบไปในเรื่องอื่นเนี่ยแต่นี้ก็เอาจัดโครงการแล้วในการเชิญชวนเงิ น, นโฆษณาชวนเชื่อโฆษณาอย่างนี้โฆษณาในเรื่องที่ดีเนะยก็เอาขันห้าเหล่านี้มารวมกันสรุปก็คือเอาดินน้ำไฟลม สีกินงลดโอชาธาทั้งหลายพร้อมทั้งเวทนาขันสัญญาสังขารวิญญาณที่มีการแตกดับอยู่ตลอดเวลานี่แหละให้มาอยู่กับดินน้ําไบลมตรงนี้ที่สมมุติเรียกกันว่าสารานี่แหละทีนี้ถามว่าถ้าเรามองอย่างนี้เริ่มจะเห็นความเป็นนะเป็นรูปเป็นนมม้มไหมฮะจากฐานเนี่ยจากฐานเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นคําว่าดินน้ําไบลมแล้วเพาแท้ที่จริงอ่ะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเยื่อในกระดูก ในผมก็คือดินน้ำไฟลมใช่ไหมในขนก็ดินน้ำไฟลมในเล็บก็ดินน้ำไฟลมเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกในไตในหัวใจในตับในปอดในไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองอันนี้คือกลุ่มของดินน้ำไฟลมหมดเลยไหมอันนี้คือกลุ่มรูปกระดูกทั้งหมดนั้นรูปกระดูกทั้งหมดเหล่าเนี้ยอันนี้แปลว่าอะไรที่เราเรายังไม่ได้วิจัยเนี่ยเราก็ไม่เห็นรูป เราเข้าใจมุมแบบนี้เบ็ดเสร็จใช่ไหมอันนี้แปลว่าในฐานของข้อมูลนี่เข้าใจในี้รูปธรรมแล้วต่อมาก็มาเข้าใจกลุ่มเวทนาทั้งหลายที่อาใส่รูปธรรมนี้เป็นไปแตกดับเป็นไปอยู่สัญญาขันสภาพที่จําได้หมายรู้ทั้งหลายเหล่าเนี้ยก็อใสยรูปธรรมเป็นไปอยู่เกิดพร้อมกันเป็นไปอยู่แล้วก็เวสังขารและขันคือสภาพจิตที่เป็นบุญและเป็นบาปแล้วก็วิญญาณขันก็คือตัวกุศลและกุศลสรุปแล้วก็คือเข้าใจสภาพของรูปนามแล้ว อันนี้จากการฟังนี้เข้าใจรวมน้ำกันห้าเบสเสร็จทีนี้พอมาเดินกรรมาฐานก็เริ่มจะฝึกจากฐานนี่สมมติมาจากสายฐานโอ้โหให้ทานจนประทับใจเลยน ะ, ะเข้าได้ปลาโมดปีตีประสทธิความสุขเข้าใจระลึกยังไงเอาอย่างใส่บาทเมื่อเช้านี้เราเราคิดยังไงให้ได้ปีธีนาทิ อาจารย์เขสอนตอนเช้ามันคิดยังไงเกิดพิธีอาจจะคิดยังไงยังไม่บอกว่าบูชาพระรัตนตรยัยไหมเป่นไหมอาหารหนึ่งช้อนที่ตักใส่ในบาตรเนี่ยบูชาพระรัตนตรัยหรือเปล่ากระทบถึงคุณของพระรัตนตรยัยคือพระเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์หมดเลยโดยผ่านผ่านองค์แทนเนี่ย เราคิดอย่างนี้ีิแต่ก่อนเราไม่เคยคิดกระทบแรงๆแบบนี้เลยอะ่ะแต่ตอนนี้จากอาหารเพียงเพียงดูเหมือนจะน้อยแต่มากไปได้วยเจตนาที่ยิ่งใหญ่อย่างเงี้ยพอกระทบไปเสร็จเอามาไข้ควรบ่อยๆสิเอาไข้ควรทำไมใจหน้าตาทำไมหมองอย่างนี้เป็นเพราะอะไรอันนี้อะไรไม่เกิดเนี่ยไม่กุศลไม่เกิดแล้วใช่ไหมถ้าไข้ควรจริงเนี่ยแปลว่า พรโมทท้องเกิดติจะต้องเห็นคุณของพระศาสดาสิแล้วก็จะต้องเห็นที่ว่าเจตนาของเราที่ฝังไว้ในพระศาสนาเนี่ยเป็นเจตนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะกระทบถึงถึงอริยคุณเนะี่ยคุณของพระศาสดาแ ล, แล้วก็คุณของพระธรรมเนะี่ยแล้วก็คุณของพา ร, ริยสงทั้งหมดเนะี่ยเอาสิคุณของพา ร, ริยสงทั้งหมดเนะี่ย โดยการผ่านตัวแทนหนึ่งองค์เนี่ยแต่ภาพของเรียรสง์ใช่ไหมที่ปรากฏในใจของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เป็นแรงผลักดันในการน้อมหน่วงนึกเข้าในเข้าปลาโมดก็เกิดปีติก็เกิดปัจ ส, สวามสงบก็เกิดแล้วความสุขสมนะก็เกิดนี่สมาธิจะตั้งมันทีนี้พอสมาธิเกิดมากขึ้นก็ระลึกจับมุมเดียวนี่นแหละ จิตก็เป็นสมาธิตัวนิวรณ์ถูกทำลายไหมการมาฉันทะจะถูกทำลายไปนะในขณะที่จิตเป็นสมาธิเป็นบริกรรมาสมาธิหรูป อ, อุปจาระสมาธินี่เลยตัวการมาฉันทะคือออกจากการมาฉันทะใช่ไหมอุปจารสมาธิเป็นต้นเหล่าเนี้ยได้เนะีถ้าได้จะออกจากการมาฉันทะได้ออกจากพยาบาทได้ไหมออกจากพยาบาทได้ด้วย ออกจากถีนะมิท้ได้ไหมโหดถูนี่ทําไมออกไม่ได้ทําไมออกไม่ได้นี่เห็นไหมทั้งๆ ท, ท, ที่ไล่ข้อมูลไปตามลําดับไปทําไมออกไม่ได้เขาตึงบอกว่าออกจากกรรมฉันท้าด้วยเนคขมมะตอนนี้ตอนนี้ออกมาแล้วว่าจิตเป็นสมาธิออกจากพยาบาทด้วยใจที่เป็นไปกับอัโทสะที่เป็นไปกับเมตตาออกจากถีนมิทะคือความโหดถูท้อถอยด้วยอโลกสัญญา ความสว่างในใจมันเกิดเนะี่ยไม่ใช่หดหูมืดมิดหงอยเหงาซึมเซาไม่ใช่ออกจากวิกิกิจฉาด้วยการกําหนดใช่ไหมด้วยการกําหนดทำแล้วไม่มีสองทางแล้วจิตไม่น้อมเป็นเรื่องของวัตถุกรรมแล้วแต่น้อมก็มาในในกามในกุศลแล้วแล้วก็ออกจากอุทะจะด้วยสมาธิออกจากอวิชชาด้วยยานะด้วยปัญญาแล้วก็ออกจากอากุศลด้วยกุศล่ะ ออกจากอารติด้วยความไม่ยินดีด้วยความยินดีล่าเริงในกุศลสงบไหมตอนเนี้ยนิวรธรรมก็สงบพอสงบเบียเสร็จเนะี่ยแยกแล้วน่าเข้าเอาที่ดูสภาพของปีติภายในที่เกิดขึ้นเนี่ยปีติเป็นนามธรรมไหมเอาสิปีติเป็นนามนธรร ม, ม, เ, เ, นน ม, รรมเกิดร่วมกับเวทนาขันสัญญาขันสัง ข, ขาระขันวิญญาณในขันโอ้หนีนามมาขันนี่ อาศัยผมขนเล็บฟันหนังอาศัยกรารจักรกายคือดินน้ำไฟลมที่ประชุมทั้งหมดเป็นไปอยู่นี่ไงรูกน้ำเนี่ยใช่ไหมประชุมลงรูกนา้ำไหยเป็นลูกน้ำ ม, มาจากสายฐานไหมเนี่ยนี่วิปัสสนามาสายฐานแล้วนเนี่ยอาศัยฐานของสมาธินั่นแหละแยกเห็นรูกน้ำเบ็เสร็จแล้วเอาแล้วถามบ อ, อกว่าปีติปัปสสัตที่ความสุขต่างๆเหล่านี้อาศัยเหตุปัจจัยเป็นใบไหมแต่ก่อนมีไหมเนี่ยแต่ก่อนไม่มี อาศัยเหตุปัจจัยเป็นไป้เหตุปัจจัยเห็นไหมก็มามีขึ้นเนี่ยนี่เห็นไหมว่าจริงๆเนี่ยเขาสาวถึงเหตุปัจจัยยังไงแล้วเขาวิจัยตัววัตถุได้ด้วยแล้วแท้จริงอะ่ะที่เราสมมุติว่าข้าวแท้จริงก็คือดินน้ำใบร่มเนี่ยสีกลิ่นรสโอชาธาตุแต่เรียกว่าเป็นข้าวเนี่ยวิจัยจนตันหาไม่เกาะติดได้ทั้งภายในและภายนอกวิจัยได้เห็นไหม เห็นด้วยความเป็นนามรูปแล้วก็เห็นเหตุปัจจัยของนามรูปยกเหตุปัจจัยของนามรูปและตัวนามรูปขึ้นสู่ไตรลักษณ์โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถามว่าฐานวิปัสนาเราเดินแบบนี้ไหมถ้าฐานเดินอย่างเนี้ใช่เห็นไหมมาจากฐานข้อมูลไหมนี่ไงวิปัสนาก็เดินกันอย่างเนี้ยอันนี้มาจากฐานเนี่ยแล้วบรรลุกันเยอะแยะหมดนับไม่ได้นะบรรลุสาจากฐานฐานอนาุสสนเนี่ย ยาคานุสเนี่ยแล้ ว, แ ล, วแล้วนี่ไงฐานอันนี้ตรงประเด็นนี่ไม่มีทําอันนี้แบบแบบข้าวๆจะเป็นไปมุมลักษณะอย่างนี้